นะ เ, อเออดีนะดีที่รู้เริ่มดีล่ะสติเริ่มเกิดขึ้นมาแเรานักปฏิบัติชอบไปบังคับคิดจะให้สติเกิดไปพยายามกำหนดกำหนดอะไรลงไปกำหนดนะพระแต่กิดกไม่ได้สอนแต่อาจารย์ชอบสอน ห้ามมันไม่ได้จิตมันจะบริกรรมห้ามไม่ได้นะเราเรียนเพื่อให้เห็นความจริงว่าจิตเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เรียนเพื่อให้เที่ยงเนเรียนเพื่อให้เห็นว่าจิตมันเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวสุขเรียนเพื่อให้เห็นความจริงว่าจิตเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่ใช่ฝึกที่จะบังคับให้ได้ที่เรากาหนดเราประคองเราควบคุมจนแข็งงนะนี่เป็นการฝึกบังคับนั่นเองนี่เคฝึกไมไปฝึกยังไง สติส ต, ต, ติตัวจริงมันยังไม่ได้เกิดขึ้นที่เราฝึกมันจะไปแล้วขณะการบังคับการควบคุมตัวเองส ต, ติตัวจริงเกิดขึ้นใจจะเบาเลยนะใจจะโล่งๆใจจะสว่างสวัยขึ้นมาสงบตาสว่างรู้ตื่นแล้วก็เบิกบานถ้าเมื่อไหร่เราลงมือฝึกแล้วใจของเรานิ่งๆทื่อๆหนัก ๆ, นกนกๆแน่นๆแข็งๆเลย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 แน่นแน่นแข็งแข็งนะนี่เพราะเราข้ามขั้นการศึกษาไปขั้นหนึ่งพระพุทธเจ้าสอนไตรสิกขาศีลศีลศิกข า, กาจิตศิษยาปัญญาศิษยาเรายังไม่ได้เรียนจิตสิกขาเราข้ามไปเจริญปัญญาเลยไปกําหนดรูปนามเพราะฉะนั้นเราเอาจิตที่ไม่ได้มีคุณภาพเนี้ยไปเจริญนิปัสนาเจริญไม่ได้จริงเพราะสติปัจจริงของเรายังไม่ได้เกิดขึ้นมา สัมมาสมาธิยังไม่เกิดมีแต่มิจฉาสมาธิเกิดปัญญาที่เป็นวิปัสนายังไม่เกิดมีจินตามยายะปัญญาเกิดปัญญาจากการคิดเกิดอย่างความโกรธเกิดขึ้นบางคนก็ไปโกรธหนอโกรธหนออนะไรเนี่ยอันนี้ต้องดูนะว่าโกรธหนอเพื่ออะไรต้องดูแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าตรวจหนอเพื่อเตือนตัวเองให้รู้ว่าสภาวะของความโกรธกําลังปรากฏอยู่อย่างนี้พอใช้ได้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 บังคับไม่ได้เพรน้นเรียนเพื่อให้เห็นการบังคับไม่ได้ไม่ใช่เรียนบังคับมีพวกเรารุ่นหลังๆเริ่มพลาดกันนะเรไปแปลคําในพระไตรปิฎกคลาดเคลื่อนนี่างคำว่าสติเนะี่ยในพระไตรปิฎกแปลสติว่าความระลึกได้ไม่ได้กําหนดนะไม่ใช่กําหนดรุ่นหลังชอบไปติดคาว่ากําหนดไม่ทราบใครเอามานะคําเนี้ยกําหนดกันใหญ่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 ถ้ากรรมฐานอะไรทำแล้วอึดอัดแสดงว่าไม่ถูกกัจจิิตของเร า, าหาใหม่กรรมฐานมีเยอะแยะปเปิดตำราดูในสถติปัฏฐานะยกเว้นนะมียกเว้นการพิจรารณาศพการพิจารณาศพได้แต่สมถะไม่ขึ้นมิปัสนากรรมฐานต่างๆส่วนใหญ่นอกนั้นใช้ทำมิปัสนาได้แต่ลมหายใจต้องระวังอีกนิดนึงลมหายใจนี่พลิกเป็นสมถะง่ายทาเป็นมิปัสนายาก แต่การรู้อิยิยาบทสี่ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยทำมิปั ส, สนาง่าการรู้จิตนี่ทำมิปั ส, สนาง่ายอารมณ์ในสติปัฏฐานเนี่ยเราถนัดอะไรอ่อนนั้นหูกงพ่อยกตัว อ, อย่างสมมติว่าเราถนัดใครเคยฝึกพองยุกเดี๋ยวนี้พองยุกเยอะนะเป็นอันดับหนึ่งจะแพ้ก็แพ้สํานักเดียวที่นั่งเพ่งอะไรต่ออะไรนะนอกานั้นจะเป็นอันดับหนึ่งเราดูท่องพองยุกก็ได้ถ้าเราชอบ ดูแล้วมีความสุขถ้าดูแล้วไม่มีความสุขจะแรงไม่ตรงกับจิตเราถ้าเราดูท้องพองยุบไปอย่างสบายใจต้องสบายใจนะปฏิบัติ ต, ต้องสบายใจจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมีความสุขจิตที่ไม่มีความสุขเนี่ยมันอกักขุศล จ, จิตจิตที่หนักหนั ก, นกแน่แนๆ่นแข็งแข็งอึดอัดอะไรเงี้อยอักขุสรฉะนั้นถ้าเราดูท้องพองยุบแล้วสบายใจเราก็ดูไปเห็นท้องมันพองเห็นท้องมันยุบนะดูเพื่ออะไรดูเพื่อหัดรู้สภาวะ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 นี่เกือบร้อยละร้อยทาอย่างเนี้ไปเพ่งอยู่ที่ท้องได้แต่สมถะนะเพ่งมากๆเข้าเกิดอาการของสมถะเช่นเกิดกิจิรู้สึกตัวลอยๆตัวโครงโครงตัวเบาๆนะตัวโยก ๆ, ร, ก ๆ, ๆรู้สึกพู่มุ่มบ้าบารู้สึกผงะรู้สึกเหมือนตัวอะไรมาไตนะ่รู้สึกผนลุกผนทองรู้สึกน้ําตาไหลอะไรอยงี้อันนี้เป็นอาการของสมถะทั้งหมดนะอย่าไปสาคัญว่าเป็นวิปัสสนานะ หลายคนที่ไปฝึกแล้วเกิดอาการของสมถะคิดว่าเป็นวิปัสนาที่ว่ากําลังทําวิปัสนาอยู่มันเป็รื่องสมถะยังไม่ได้ขึ้นวิปัสนาจริงนี่ถ้าเราจะฝึกของยุบแล้วให้ขึ้นวิปัสนาทําไงดีเราก็ดูท้องฟองดูท้องยุบแ ป, ป๊ดนะมันขึ้นวิปัสนาได้สองแบบอันหนึ่งนั่งดูไปอย่างสบายใจเห็นรูปเมันฟองรูปมันยุบใจเป็นคนดูต้องมีใจเป็นคนดูนะใจเป็นคนดูอยู่ต่างหาก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 ถ้าเราเกลียดน้ำด้วยเราเพ่งไปถึงชาติสี่จะเข้าอสัญีอสัญญ ส, ญญสตตาจิต ด, ดับลงไปเลยเหลือแต่ร่างกายนั่งตัวแข็งๆอยู่นี่เป็นทางเดินของสมถะเพราะฉะั้นเรารู้ฟองยุบนะดูไปสบายๆใจเป็นคนดูอยู่ต่างหาใจไม่ถลำไปอยู่ที่ท้องนะส่วนใหญ่ใจชอบไปอยู่ที่ท้องตรงนี้นหะเป็นสมถะเพั้นดูอยู่ข่างหากเห็นด้วยตัวที่ฟองตัวที่ยุบรูปนี้ไม่ใช่ตัวเรา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 สักว่ารู้สักว่าดูสักว่าเห็นรูปเคลื่อนไหวนี่เริ่มเห็นแล้วเห็นความจริงแล้วไอ้ตัวที่เคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเรารูปมันเคลื่อนไหวนี่เริ่มวิปัสสนาแล้วนะจะเป็นการทาวิปัสสนาด้วยการดูกายแต่ว่าอันนี้เป็นจุดตั้งต้นหขอกนะวิปัสสนาแท้แท้วิปัสสนาญาญยังไม่ได้เกิดถ้าวิปัสสนาญาญเกิดจ้เห็นรูปมันเกิดดับไดนะ้หรือเราหายใจเราไปยับมือไปนะ พูดถึงกระยับมือกรยับมือไปนะใจไปเพ่งมือเรารู้ทันใจหนีไปคิดเรารู้ทันใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลรู้ทันนี่เป็นการฝึกซ้อมที่จะไว้ดูจิตต่อไปงั้นเบื้องต้นพวกเราทํากรรมฐานอะไรก็ได้ยกเว้นกรรมฐานที่เพ่งออกข้างนอกจริงๆนะเพ่งไปดูเทียนดูไปดูอะไรอย่างนี้มันได้แต่สมถะถ้ากรรมฐานอะไรที่เนื่องด้วยกายเนื่องด้วยใจของเราเองเนี่ยเอามาต่อยอดทํานี้ปรสนาง่าย นั่นเราไปรู้อยู่ที่กายที่ใจนะใช้อะไรก็ได้บางคนก็รู้เวทน า, าสายท่านโคอนกาดูเวทนาก็ใช้ได้สายของยุคดูช่องพองยุคก็ใช้ได้นะถ้าดูถูกนะถ้าดูไม่ถูกก็ได้สมถะเหมือนกันทุกสายอะถูกก็ถูกเหมือนกันจิตก็ผิดอย่างเดียวกันนั่นแหละนั้นหัดไปเบื้องต้นทําสมถาะาอะไรก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งที่เราคุ้นเคย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 วิปัสนาเป็นของไม่คุ้นเคยนิปัสนาคือการเห็นตรงความเป็นจริงเห็นอะไรเห็นกายเห็นใจตรงความจริงยังไงกายกับใจนี้แสดงไตรลักษ์ออกมานะถ้าหลุดออกจากเรื่องกายเรื่องใจหลุดออกจากเรื่องไตรลักษ์แล้วก็ไม่ใช่วิปัสนาแล้นะเป็นนิปัสสนึกมัง่งนิปัสสนอนมั่งเนาะ <c oughs> นตรงกันบ้านหน่อยเป็นยังไง <c oughs> บังคับอยู่อย่างดูออกไหม ยังไม่เลิกบังคับนะดูอกป่ารู้สึกไหมใจมันจะนิ่งนิ่งมันนิ่งนิ่งแล้วมันทื่อๆฟ อ, อ, อ, องยุบก็ได้แต่ว่าอย่าถล่าลงไปแช่นะถ้าลงไปแช่พองยุบก็เหมือนกับแช่ลมหายใจเหมือนไปแช่กับพุทโธเหมือ น, นอะไรนั่นแหละเหมือนกันหมดนั่นแหละฮะกรรมฐานน่ะอารมณ์อะไรก็ใช้ได้นะที่เกี่ยวเนื่องด้วยกายด้วยใจ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 เดียกว่าไม่มีสตินะเรื่องลอยละรู้สึกไหมเบอร์สิบ้าเนี้ยลอยไปคิดแล้วก็ยังคิดไม่เลิกรู้ไหมรู้ไหมไอ้ตัวเนี้ยมันกระดุกกระดิกรู้ไหมมันจะยักหน้าอย่างเงี้ยนะรู้สึกไหมเมื่อกี้มันจะยักหน้ามันลืมตัวเองงงรู้ไหมงงอนะ่ะรู้จักสงสัยไหมงงรู้ว่างงนะรู้ลงปัจจุบันไปนะจริงจรง่ายเบอร์เจนะ็ดไปดูเขาแล้วก็เลยเลิศเพินไปแล้วเนี่ย เมื่อเจ็ดจอมเลือเปลรินรู้สึกไว้เอาโยทำอะไรรอบนี้ส ม, สมพงดีไร่สมพงดีโยเป็นอะไรไปรอบนี้ทำไมไปทำใจทื่อๆดูออกไหมแกล้งทำใจให้ทื่อไปฝึกอะไรที่ลึกที่ลึกมานึกเปล่านะรายนี้เป็นคนที่ประหลาด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 เคล็ดลับของการทําสมาธิต้องสบายจำไว้นะถ้าเราสบายแล้วมันจะสงบแล้วความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินะถ้าอยากทํำนิพพานาต้องรู้กายรู้ใจอันที่หนึ่งนะรู้อย่างอื่นไม่ได้นะต้องรู้กายรู้ใจตัวเองอันที่สองนะต้องรู้ตามความเป็นจริงรู้ว่ามันเป็นใจ ล, ลักษณไม่ใช่รู้กายก็รู้ว่านี่ชื่อว่ามือนี่ชื่อว่านิ้ว อย่างนี้ไม่เรียกรู้กายนะนี่รู้สมมุติบัญญัติฝรั่งมันก็ไม่เรียกว่ามือใช่ไหมคนจีนเรียกชิวเนี่ยสมมุติบัญญัติจะรู้รูป ร, รู้กายรู้ใจคุณผู้ชายเชื่อหลายๆเล็กๆตาสก๊อตเล็กๆเนี่ยเชื่อหลายเนี่ยเออใจลอยรู้ไหมใจลอยไปเริ่มบังคับตัวเองแล้วทราบไหม รู้ดิรูปพันไปเรื่อยๆนะเรียนจากหลวงพ่อไม่ต้องตั้งใจฟังให้รู้เรื่องนะไม่มีวันรู้เรื่องหรอกเรียนแล้วหัดดูสภาวะไปนะหลวงพ่อพูดเพื่อพาเราดูสภาวะเท่านั้นเองเนี่ยใจแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมหัดดูอย่างนี้นะดูแต่เดี๋ยวก็เป็นในส่วนเราจะดูสภาวธรรมออกจิตเคลื่อนไหวกระดูกระดิกเราจะเห็นหมดเลยเราเห็นของเราชั่วทีชั่ น, นาญเราเห็นของคนอื่นได้ด้วยนะนะ ใครมาหลอกเราไม่ได้กินหรอกต้องต้องเป็นไงต้องยังบังคับตัวเองอยู่ดูออกไหมยังบังคับผมใจให้นิ่งนะรู้เล่นๆนะ น, น, น, นี่ลูกติดวัดเขาฉลาดตายโอเคใช่คุณสุวรรณีเป็นไงดีละดูไปใจวันนี้เป็นไงใจมีโมหะดูออกไหมมัวมัว นะมีโมหะแทรกเข้ามาล้วก็รู้ทันมันนะอย่าไปเกลียดมันรู้อย่างที่มันเป็นรู้สึกไหมพอรู้ทันมันเริ่มสว่างขึ้นมาเออมันจะตื่นขึ้นมาต่เอาฮุ้งเป็นไงรู้รู้สึกนะรอบนี้รู้สึกดีกว่าเราก่อนปฏิเวทเป็นไง ตู้ครั้งก่อนไม่ได้หรือเปล่านะมันอึดัดแล้วนะดูไป๋ยวไปบังคับมนะันคือช่วงไหนพอเรางานเยอะพองานเยอะแล้วพอจะมาวัดหาครูบาอาจารย์้นมันจะรีบปฏิบัติกลางทางนะอ่ะวันนี้ปฏิบัติกลางทางเป็นอย่างเงี้ยมัจะอึดัดนิดนี้น เ, เออ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 จนตอกแล้วสู้สู้สูุ้ดฤิสุดเด็ชแล้วในที่สุดเอายอมใหเขาตีให้ตายตายไปซะสู้จนเหนื่อยแล้วขี้เกียจสู้ละ <c oughs> รู้จักใจร้อยอย่างเบอร์สิบห้าเบอร์สิบสองไม่ขี้ทําอะไรเบอร์สิบสองชอบคิดแต่คิดส่นใหญ่เราชาวเมืองเราทํางานที่ใช้ความคิด เรวคุณเคยที่จะหาความรู้ด้วยการคิดเอาคุณเบอร์แปดเป็นยังไงบ้างหื อ, อเป็นไงเอย่บไปบังคับนะอย่าบังคับเนื้อพอรู้แล้ บ, บังคับอาพิชาติยังไงเอาเบอร์หนึ่งเลยวันนี้หน้าตีปากครั้งที่แล้วตอบถูกใช้ได้แล้วนะคุณพิชาญน่ะ อะไรนะโอ้แย่ลงตอบตูวอีกใช้ได้ได้หนึ่งคะแนนนะเห็นไหมดีก็รู้ว่าดีก็ใช้ได้นะ อ, อแย่ลงรู้ว่าแย่ลงใช้ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เรียนเอาดีนะเราเรียนเพื่อให้เห็นความจริงพว่าดีก็ดีชั่วคราวนะแย่ก็แย่ชั่วคราวแต่ถ้าคนไหนไม่เคยจเจริญสตินะแย่ตลอดนะแล้วนึกว่าดีนี่น่าสงสารที่สุดเลย ตันนี้เป็นไงจิตมันปฏิบัติเองอะไรนะนะเพราะว่ามันทะลุทะลวงมากนะไม่ได้ปฏิบัติในรูปแบบนะแต่ว่าจริงๆจิตมันปฏิบัติของมันเองแนละ้ว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 การทำตามในรูปแบบคล้ายๆนักมวยซ้อมซ้อมชกอ่นะต้องทำนั้นใครดูท้องฟองยกดูไปแล้วก็ดูทันให้ทันรู้ใจตัวเองนะดูลมหายใจก็รู้ไปรู้ลมหายใจไปแล้วก็รู้ใจตัวเองอะไรก็ได้ซ้อมไปเรื่อยแล้ ว, ส, วสติจะได้ไหวขึ้นไหวขึ้นเวลาเราอยู่ในชีวิตประจําวันนีวสว่สติเกิดเองรู้สึกไหมหเกิดเองไม่ได้สั่งให้เกิ ด, ส, กดสั่งให้เกิดแล้วมันจะไม่เกิดเี่ยต้องเรียนนะ ก็คใอยฟังหลวงพ่อไปวันหนึ่งจะรู้เลยมันเกิดเองลองหันไปดูคนนี้สิรู้สึกไหมว่าเ็าดูผ่องใสคนไหนที่มีความรู้สึกตัวแล้วจะดูผ่องใสอัตโนมัติเลยตวยโดยไม่ต้องทาแป้งนะ อ, อย่างถ้าหลวงพ่อสอนภาวนาเนี่ยบริษัทเครื่องสำอางต้องไม่ชอบ <c oughs> ว่าไงตัวอี <c oughs>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 ไม่มากนะแต่มันนุ่มๆชอบควรมันเหมือนไปตีกับใครมาอย่างมันตบัตะบอมอยู่ข้างในคุณแต่มเป็นไงคุณแต้มอะไรนะรู้อะไรนะ มันต้องดูตามหลังไปเรื่อยๆแต่ถ้าสติก็ดูตามหลังนะก็เป็นนามธรรมนามธรรมนี่เราดูตามหลังไปเรื่อยๆเชนะ่นใจเราเผลอไปเขารู้ว่าเผลอในขณะที่รู้ว่าเผลอเนี่ยนะมีสติเรียบร้อยละแต่ในขณะนั้นรู้ว่าเมื่อกี้เผลอเห็นความเผลอดับไปแล้วนะต่อมามีสติเกิดขึ้นขัดมาอีกมีสติดวงที่สองนะก็จะเห็นว่าเมื่อกี้รู้สึกตัวนะแต่ว่าเกิดน้อย คนนี้เกิดน้อยนะนเกิดมากตัวที่มารับช่วงต่อจากอัคคุชนมากจะเป็นอัคคุชนนี่แหละเพาะอัคคุชนต้อมีโอกาสเกิดบ่อยอัุชนมีโอกาสน้อยคนเราส่วนมากตายลแล้วไปอาบายนะแล้วแปะใบเพราะจิตคุณ้นกับอัคคุชนแต่ว่าคุณแต้มดูอย่างนี้ไม่ต้องกลัวนะไม่ไปหรอก <c oughs> ดาวดาวอะไรนะ วันนี้เหรอวันนี้ดูออกไหมใจเราไม่ธรรมดามันบังคับอยู่ไม่ดีหรอกใจเราแข็งคือๆเราบังคับไว้ดูออหมดูไม่ออกนะมัอาอ่อานั่นแหละสึกไปนะดีแล้วล่ะแต่วันนี้เรากลัวไม่มีสติเราไปประคองไว้ ประคอไว้เลยเป็นของปลอมติปลอมนะปน แ, แปะ่แข็งแข็งรู้จักไหมจิตแข็งแข็งที่ปึ่งนั่นแหละมันแข็งแข็งเลนะอาโบเมืเ่อติดช่วหนนภาวนาีมาขึงงาน้นวันนี้จิตใจเป็นไ ง, ช, งช่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ก่แบบแ่ก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ยงจังเกินไปไม่แช่มชื่นรู้สึกไหมไ ม, ไม่นุ่มนวลแต่จิตไม่นุ่มนวนนะไม่ใช่กุศลแท้หรอกจิตที่เป็นกุศลนะมีมุทุตานุ่มนวลจิตที่เป็นกุศลมีละหุตาเบาสบายจิตที่เป็นกุศลปราดเปรียวโบรู้สึกไหมจิตปราดเปรียวแต่ปราดเปรียวแบบเคยดูหนังสมูไรไหมสมูไรจ้องเนี้ยปราดเปรียวนะอะไรมาปั่นแหลก แตกลิ้งไปดนเลยดูไปนะดู้หัดรู้สภาวะไม่ต้องแก่เราไม่ได้เรียนเพื่อจะแก้เราเรียนเพื่อหัดรู้สภาวะไปเลยต่อไปสภาวะอะไรเกิดสติก็เกิดเมื่สติเกิดผีจีเข้านะใจตั้งมั่นจะเห็นเลยกายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราเห็นเองเลยอ้าวป้อมตอนแตกที่แล้วมันมีศรัท มันก็มีแค่นั้นแหละหลวงพ่อเลยกรุ๊บสภาวะทั้งหมดเลยนะกรุบออกมาแล้วเหลือสองงา น, นไม่เพ่งก็เผลือแล้วก็รู้อันที่สามคือรู้ความจริงอันนี้เปกรุบกรุบขึ้นมานะพอไปดูทางภาคปริยัติตรงกันเต้เลยตรงที่เผลอไปเนี่ยจิตไหลตามกิเลสไปไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายอะไรเงี้ยก็เรีย ก, กามสุขหลกการนโยมตรงที่เพ่งไว้ก็เพ่งกายเพ่งใจบาง ากายบังคับใจก็คืออัตตากรรมาฐานวิโยคนะี่ยพระอาาท่านสอนไว้หมดแล้วล่ะเรารุ่นหลังยังไงก็ไม่กว้างขวางออกไปได้มากกว่าท่านหรอกอะไรนะ มันมันคือกิเลสเพราะงั้นถ้าคนไหนมาเรียนกับหลวงพ่อนะจะกิเลสมากมากกว่าเก่าเพาะอะไรก็แต่เดิมมาเก็บกดไว้อย่างความโกรธเกิดขึ้นโกรธน้อโกรธน้อหรือพุทโธพุทโธแล้วไม่โกรธมันก็ว่าเราเป็นคนดีแต่ตอนนี้เราไม่ได้เก็บกดเราจะรู้ตามความเป็นจริงเราจะต้องไปรู้ไปดูไปเราเห็นความโกรธจะเกิดได้ห้ามไม่ได้ความโกรธจะตั้งอยู่เราไล่มันก็ไม่ไป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 อย่างบางคนก็ามาน้าหือตัวอวดดีอวดเก่งอะไรเงี้ยมันซ่อนอยู่ลึกๆไม่เคเห็นแต่พอเราหัดเจริญสติแล้วเ น, ใ น, ในี่ยแค่ไปคุยไปเขียนขึ้นมาเราจะเห็นกิเลสแอดทางานขึ้นมาในมองมองเห็นไหมหลายคนนะอย่างคุณนี่ทีมคุณปิตินาคณพัทลุงเนี่ยเมื่อก่อ น, นเขามีทีมนะสิบเอ็ดคนชื่อทีมสิบเอ็ดนางสาที่สิบเอ็ดนางสาพอมาเรียนกับหลวงพ่อพักหนึ่งนะไปเปลี่ยนชื่อที เนสิบอิดแม่มดผู้รู้สึกตัวเขารู้สึกตัวจริงๆเขารู้เลยเรานี่ร้ายร้ายสุดๆเลยใครรู้นะใครรู้เราไม่ได้เรียนให้เป็นคนดีแต่เราเรียนเพื่อดูตัวจริงของเราเองเรียนจะรู้จักตัวจริงของมันงั้นเราหลอกตัวเองไปเรื่อยๆเบอร์เจ็ดสิบหกรู้จักใจลอยหรือยังรู้จักการบางังคับตัวเองหรือยัง ไ้วเราบังคับทำไม่ใจลอยเราก็บังคับเอาไว้เรียนบังคับอยู่ได้ไหมให้คอยรู้นะรู้ใปเอาเบอร์สิบสามเอาเบอร์ส <c oughs> ิบสามเวส <c oughs> ดีด ด, ดีนะ ม่เหมือนที่นายก อ, อนันต์บอกว่าที่วิกฤตให้เป็นโอกาสอืดีละดีละธรรมะจะช่วยเรานะเราฝึกเจริญสติไ้ถึงในยามสับขันในยามที่เรามีปัญหาชีวิตที่รุนแรงธนะรรมะช่วยเราได้มีอยู่คนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งแกมีหลายบ้านนะแ ก, แกเป็นนักบริหารที่ คณะรัฐศาสตร์ทั้งหลายนะ่น่าจะให้ดุษรีปฏิกิตนตะิมัสก์ไปปกครองเก่งไม่มีหลายบ้านไม่ตีกันวิธีการของกายชานฉลาดนะแกพามาหาหลวงพ่อทีละบ้านพาให้ฝึกกรรมฐานภริยาเวลาโมโหิีก็ดูอะไรดูเก่งวันหนึ่งลูกไม่สบายลูกไม่สบายลูกของบ้านหนึ่งไม่สบายทั้งพ่อทั้งแม่ไปยืนเกาะเตียงร้องไห้เลย ลูกจะรอดหรืสาวก็ไม่รู้อะไรงร้องร้องรองไปร้องไปพักหนึ่งนะธรรมะมาช่วยแล้วสติเกิดแม่เนียหันไปมองลูกในเตียงพอมองปั๊บเนี่ยปัญญาสติปัญญามันพันเลยเนี่มันวัตถุนะนี่มันก้อนธาตุเลยดูตัวเองที่เกาะเตียงอยู่นี่ก็วัตถุนี่ก็ก้อนธาตุเหมือนกันนี่ธาตุมาดูธาตุหน่นะความเศร้าโศกในใจขาดสะ บ, บั้นตรงนั้นเลย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 คุณน้องมันนั่งสุ่มอยู่ตนี้ไม่เห็นเลยนะบังคามิดเลยเป็นไง ดีแล้วดูไปเรื่อยะดีแล้วล่ะคุณที่ถัดมาข้างหน้าล่ะที่นั่งกับต้องล่ะเคยฝึกไหมคนนี้ดีใช่สนใจฝึกป่าเดี๋ยวหลวงพต้องถามส่วนเดี๋ยวกลายเป็นบังคับให้ฝึกขอบคุดีดีวิจารณ์ได้ประโยชงาอะไรนะดีวิจารณ์ได้ประโยชน์งานากกว่าอยู่ที่ทํางานอยู่ที่ทํางานก็ฝึกได้นะ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 รู้ว่าสดชื่นดูใจตั้งแต่ยังไม่ทันลุกจากเตียงเลยนะดูไปอย่างเนี้จะกินข้าวเจอของที่ชอบพอใจรู้ว่าพอใจเจอแต่ของไม่ชอบหงุดหงิดต้วงหงุดหงิดนะจะไปขึ้นรถเมย์เห็นรถเมย์ว่างๆดีใจรถเมย์ไม่ยอมจอดโมโหนะอยู่ในชีวิตธรรมดานี่ขับรถไปวันนี้เจอแต่ไฟเขียวเป็นสดชื่นนะอีกวันหนึ่งเจอแต่ไฟแดงไม่สดชื่นเลย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 พอขันท้า ย, า ย, ายใกล้จะเลิกเริ่มดีใจแล้วเปลีจากะยองไม่ดีใจแล้อาบเสร็จชิดตัวตัวแห้งๆนะหน้าหนาวๆพอตัวแห้งแล้วรู้สึกอุ่นมีความสุขอีกละดูใจของเราไปเรื่อยธรรมะจริงอยู่ในชีวิตเรานี้แหละอย่าสมมติว่าเราเป็นมีลูกเลี้ยงลูกบางวันลูกเราเป็นไข้จิตใจเราเศร้าหมองรู้ว่าเศร้าหมองแต่ไม่ใช่อุเบกขาให้ลูกตายนะ อนันไม่ใช่เบียดขาแล้วอย่างนั้นโง่จิตใจเราเศ้าหมองรู้ว่าเศ้าหมองหาทางรักษาลูกไปหรือวันหนึ่งเรียกลูกมากินข้าวลูกมากินอย่างดีเลยรู้สึกสบายใจ ร, รู้สึกลูกเราน่ารักเรียกให้กินข้าวก็กิ น, น, นอีกวันหนึ่งเรียกให้กินไม่ยอยากกินอีกะอละวักโมโหอีกแล้วในเลี้ยงลูกก็ทําได้นะเลี้ยงคนแก่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก็ทําได้คนแก่ชอบเล่าเรื่องซ้ําไปซ้ํามา ตอนไต้เท่นอย่างนี้เราก็รู้แล้วว่าจะต่ออย่างนี้ฟังแล้วรำค า, าญรู้ว่ารำคาญหลวงพ่อเนี่ยคนแก่ชอบนะยเพราะว่าอยากฟังอยา ก, ากเล่าก็เล่าไปเพื่อขัดคอแต่เวลาเรามีตุระเราก็ต้องรีบเล่านำเข้าไปหน่อยนะอย่างนี้ใช่ไหมไ่นอย่างนี้ใช่มไหนเดียนจบแล้วนะถ้าเราไม่มีตุราก็ปล่อยแล้วก็เล่าไปนเขามีความสุขทําให้คนมีความสุขได้บุญนะ มิงเป็นไงมีความสุขไว้มิงรู้สึกไหมเมื่อกี้กาลังมีความสุขตอนนี้ความสุขลดลงแล้วรู้สึกไหมดีแล้วมิงวันนี้ใช้ได้อ่าไปบังคับให้นิ่งแล้วรู้สึกไหมรู้ทันนะขอบคุณที่ถัดไปตรงกันบ้านที่ว่าถ้าเป็นช ไม่ทันมันจะรีบทำงานธรรมด า, มดาแต่ก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะค่อยรู้สึกไป่อใช้ได้แล้วมันถัดไปนู้นเห็นไหมเถื่อเลยตอนหลงพ่ชมตอนส่งใหม่เห็นไหมถัดสุติล้นะลืมตัวเองเ ไอหมูนี้นพูดแต่เริ่อบอล น, นะสองวันมาละมาเล่าเรื่องบอลแต่ก็่วัั้่ดีความจริงกับการรับภาษาวัยเสมอแหละแต่พอวัยรับภาษาแล้วสติปัญญาจะเกิดไหมสติปัญญาเกิดได้ไวัยขึ้นก็ดีแล้วโยเนี่ยึมคึมไปเนี่ยเาไปดูบอหลอหรือเปล่า ดูหนังโอ้อยไปดูมากสี่มันไม่เห็นมาดูเราเลยดูมันทําไมครับ <c oughs> คุณเบอร์สี่สิบเจ็ดสงกันบ้านเลยดีละสติมันเริ่มเกิดแล้วละ่ะนะอย่างเวลากีเรสมาคุณเริ่มเห็นเองแล้วใช่ไหมไม่ได้เจตนาจะเห็นไนมะ่เห็นเองแล้วทันทีที่เห็นเองเนี่มันจะดับวับเลยมันจะดับวับเลย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 ใช่เราภาคไม่ภาคเราห้ามไม่ได้แต่เราอย่าไปช่วยมันคิดจิตนะมันภาคใจเราติดจงใจคิดไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นพอความโกรธมันเกิดเรามันมีตัวหนึ่งพูดออกมาวาโกรธอีกละวอะไรเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยว่าไม่ได้แต่ถ้าเราไปช่วยมันคิดก็ออโกรธไม่ดีนะอย่าไปโกรธมันเลยนะอะไรเงี้ยไห้ช่วยมันคิดนะมันภาคเป็นเรื่องธรรมดาห้ามไม่ได้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 ให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบนะใจที่ไม่เป็นกลางพระเจ้าสอนอย่างนี้นะดูก่อนพิสูจทั้งหลายเมื่อใจรู้ธรรมารมณ์ความยินดียินร้ายเกิดขึ้นที่จิตให้มีสติรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันกิเลสจะครอบงําเอาเพราะงั้นอย่างเรื่องกลุ้มๆมันพุ่งขึ้นมาในความคิดเรากลุ้มใจขึ้นมานะเราพยายามให้หายยิ่งกลุ้มมักมากกว่าเก่า<ช>นะให้รู้มันพุกข์เขามีไว้รู้นะมันจะมีไว้รุ่มเล่น <laughs> ไม่ต้องไปไล่มนะันยิ่งอยากให้หายยิ่งไม่หายเนี่ยาบางคนขับรถ อ, อยู่โดนกขาปาดหน้าแล้วโมโหเนี่ยคนทั่วๆไปพอโมโหไม่รู้ว่าโมโหนะจะไปปาดคืนก่อนมองแต่ไอ้คนที่ปาดเรารืมมองจิตตัวเองนักปฏิบัติจะเห็นเลยมันโมโหละนี่นักปฏิบัติที่ยังไม่ชำนาญพอมันโมโหขึ้นมาเนะี่ยอยากให้มันหายกลายเป็นว่าไปโมโหไอ้ความโมโหตัวแรก ไม่ชอบมันงันไม่หายหรอกมีแต่เพิ่มความโมโหก็บีกีเแร ก, ก็โมโหไอ้คนที่ขับรถตาดหน้าตอนหลังโมโหตัวเองว่ามันทำไมขี้โมโหนักวนะ <c oughs> นั้อใจมันมีกิเลสซ้อนไปเรื่อยๆแล้วเด็กนี้ล่ะจะคุยอะไรกับหลวงพ่อั้ยเด็กกับโรงแดงเนี่ยไม่คุยอเลยเหรออายุเท่าไหร่แล้วคนนี้หกปีเหรอ อ๋อไว้เจ็ดปีแล้วให้มาคุยกันหกปีแล้กเกินไปคนที่มีที่คาดผมแดงๆเนี่ยเป็นยังไงฟังรู้เรื่องม้างไหมถ้าฟังหลวงพ่อรู้เรื่องนะหรือเป็นอัจฉริยะในรอบพันปีหลวงพ่อพูดหลวงพ่อยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเพจริงๆไม่ได้พูดให้รู้เรื่องหรอนะพูดแล้วให้เราคอยสังเกสตสภาวะไป ถ้าเราดูสภาวะเป็นรู้วิธีที่จะรู้สภาวะนะแล้วก็ไปปฏิบัติด้วยตัวเองได้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนรู้สึกทั้งหมดเลยรู้สึกเองแล้วฝึกเป็นสติเกิดอ้าคนนี้นะ่ะเคยมาไหมหนุ่มแถวที่สามเนี่ยเบอร์สนะิบเอ็ดอะแม่มีเบอร์นะแต่ว่ามีเสื้อข้างนอกครุบไม่จริงแล้วเหกิเลสตั้งไหม เออเออดีเออเออเป็นธรรมดานะธรรมดารู้บ้างก็ยังดีอ่ะรู้ไปเรื่อยๆพอจิตใจคุ้นเคยที่จะรู้ต่อไปมันรู้บ่อยนะพวกเราคนไหนมีป้ายเลขนะอาจะกลับคืนด้วยนะ ตอนนี้รู้สึกหายไปหลายใบแล้วแล้วหนูเสื้อเขียวอะอะไรนะเหลือข้างสุดท้ายไหมเรียนที่นี่นะไม่เก็บค่าเรียนนะเรียกร้องอย่างเดียวไม่เรียกร้องเงินค่าเรียนหนังสือก็แจกให้ฟรีนะเรียกร้องอย่างเดียวคนทนไว้หน่อยไม่เรียกร้องอย่างอื่นเลยเรียกร้องให้ผลคนฟังไป ฟังเหมือนจับต้นจนปลายไม่ถูกฟังไปเรื่อยเรื่อยในจุดหนึ่งสติจะเกิดขึ้นมาทําไมฟังไปเรื่อยเื่อยแล้วสติเกิดเลยไหมเพราะหลวงพ่อพูดแต่เรื่องสภาวะรุนรุนอย่างนี้ใจลอยแล้วรู้สึกไหมใจลอยแว บ, บไปแล้วรู้สึเขียววะนั่นฟังไปเรื่อยเรยนะพอสติเกิดเราจะรู้ในการปฏิบัตินี้ง่ายที่สุดไม่ได้ทําอะไรเลยจิตมันทำของมันเอง สติก็เกิดเองสมาธิก็เกิดเองไม่ต้องไปปักขลองไว้ปัญญาก็ค่อยๆเกิดขึ้นมาคุณเบอร์สี่สิบเจ็ดทำอะไรลงไปคิดนะไปคิดรู้จักลงคิดแล้วใช่ไมั้ะหลวงพ่อพูดใหม่ๆนะคนยั ง, งงนะบางคนเถียงหลวงพ่อเลยมีผู้หญิงคนหนึ่งตอนนั้นเปิดที่วัดเก่าใหม่ๆที่สวนโป่ทมคุณอ้อยนี่แหละมาด้วยกัน มาครั้งแรกนะหลวงพ่อบอกว่ารู้สึกตัวไว้ให้คนนั้สะบัดหน้านดิฉันไม่เคยขาดสติเลยเราโอ้เจอพระาราหันก็แล้วเวลาเราหลงไปคิดเรารู้เรื่องที่เราคิดนั่นแหละเราขาดสติเรียบร้อยแล้วเนะพราะอะไรถ้าเราลืมกายลืมใจนิยามคำว่ า, าสติ สติที่หลวงข้อพูดหมายถึงสัมมาสตินิยามของสัมมาสติก็คือความระลึกรู้กายความระลึกรู้ใจ น, นั่นเองเมื่อไหร่ลืมกายเมื่อไหร่ลืมใจตัวเองเรียก ว, ว่าไม่มีสตินี่การที่จะรู้กายรู้ใจยังมีสองแบบแบบหนึ่งรู้ด้วยการเข้าไปเพ่งไว้ไปกดนิ่งๆเอาไว้มีสตินะแต่ไม่มีปัญญาเข้าไปกดแค่นิ่งๆไว้มันก็นิ่งอยู่งั้นตลอดนะ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 เกิดเกอทั้งมีตัวนิ่งค้างอยู่นั้นเป็นปีๆอยู่อย่างนั้นสิ่งอื่นเป็นไตรลักษณ์หมดเลยยกเว้นจิตตัวเองเป็นอัตตาบังคับได้เพราะนั้นมิจฉาทิจินะถ้าเห็นขันห้าเป็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นสัมมาทิจจิเป็นเบอร์แปดสิบสองทำอะไรหลงหลงไปดูรู้สึกไหมถลำลงไปดูลืมตัวเอง ลืมกายลืมใจรู้แต่ลมโลกนี้มีแต่ลมน ะ, นะค่อยๆรู้นะสติตัวแท้นี่เกิดยากก็อค่อยๆดูค่อยๆฟังคนฟังไปขอาคุณไม่มีปัญหามากนะครูบาอาจารย์สอนมาได้ดีล่วแต่มาชอบอ่านหนังสือลงผูดูสนุกสนุก <c oughs> น่ารักดิอา้าว่าไงอาจไง กายหรือรแต่เราไม่เห็นสภาวะที่ที่เป็นใจรักพล้วเราเราสอนตัวเองอ๋อสอนก็<อ>นได้ตอนก็ได้เป็นอุบายเบื้องต้นนะแต่ถึงสอนยังไงก็ไม่เห็นใจรักหรอกได้แค่ความสงบการคิดพิจารณาอะไรต่ อ, อะไรนะให้ได้ความสงบเท่านั้นแหะเป็นสมถะใจรักเนี่ยต้องเอาไว้เห็นไม่ได้เอาไว้คิดทําไมมันถึงไม่เห็นใจรักคุณทราบไหม ของคุณนะมีปัญหาแต่เริ่มปฏิบัติมันอยากปฏิบัติเพอยากปฏิบัติก็เลยไปตั้งใจจ้องเอาไว้จ้องเอาไว้เลยไม่มีใจรักให้ดูทุกอย่างนิ่งหมดเลยอย่าไปจ้องไว้ก่อนใช้ชีวิตธรรมดานีแหละขั้นแรกคือศีทธิ์ห้าไว้นะมีสีทธห้าไว้ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไม่บังคับตัวเองเช่นคนนี้มาด่าเราเราไม่ต้องทําตัวเป็นคนดีว่าไม่โกรธเขามาด่าเราเราเห็นในใจมันเดือดปุดปุ ด, ด, ด, ด, ดเราเห็น ใจที่แรกเฉยๆตอนนี้ใจโมโหแล้วนี่แสดงว่าความเฉยไม่เที่ยงเนี่ยจะเห็นไตรลักษณ์ด้วยการเปรียบเทียบเอาเบื้องต้นแต่ผัดไปพอจำนี้จำนานจะเห็นไตรลักษณ์จริงๆไม่ใช่ด้วยการเปรียบเทียบการที่เราเห็นว่าเมื่อกี้เป็นอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้เป็นอย่างหนึ่งยังไม่ขึ้นตัวพิปสนาแท้ในการเห็นไตรลักษณ์ด้วยการเปรียบเทียบจิตจะดําเนินอยู่ในจุดที่เรียกว่ามีสัมมัตสัยญาชื่อฟังยากนะแต่ไม่ต้องจําก็ได้ ยังไม่ขึ้นมิปัสน า, สญญาตัวจริงยังคิดอยู่ยังเกลือด้วยความคิดถ้ามิปัสนาตัวจริงจะไม่เกลือด้วยความคิดแต่รู้สึกเอาปัสนานี้รู้สึกเอานะเช่นความโกรธเกิดขึ้นก็รู้สึกรู้รู้ว่ามันรู้สึกโกรธและ่นะยู่กัดแล้วคันเนี่อรู้สึกคันเนะี่รู้สึกทางกายนะคนมาเอาป้อนหินมากว้างเราเจ็บรู้สึกเจ็บโมโหเยรู้สึกว่าโมโหแล้วนะรู้ทันก็รรู้สึกเอา ไม่ใช่คิดนะบางคนมาถามว่าคิดกับรู้สึกนี่ต่างกันยังไงอย่างยู่กัรแล้วคันเนี่ยความคันใช่ไหมเรารู้สึกเหงาเราไม่ต้องคิดว่าอยู่กัรแล้วจะคันหรือไม่คันถ้ามันคันแล้วเรารู้สึกเหงาหรืออย่างอิ่มได้กินข้าวไปเรื่อยๆนะี่มาถามว่าความอิ่มเป็นยังไงถามไม่ได้ไปกินไปเรื่อยๆมันอิ่มมันก็รู้สึกเหงามันรู้สึกอิ่มเอาพิจารนาเนี่ยจะรู้สึกเหงาไม่ใช่คิดเหาภาษาเป็นไงคุณช่วยส่งมาให้ วันนี้ก็รกว่ามีมหตลอดแต่ว่ามีกีไม่เท่ากันอะไรนะมีอะไรตลอดนะมีโมหะอวันวันรีวันนี้ภาวนาดีไม่เทองกันแล้วก็มีความรู้สึกว่าอย่างช่วง้าเนี่ยจะเห็นว่าโมหะจุดปลาไปแล้วก็มีใจอมีจมื่นสงบเลยอืมดีวันนี้ภาวนาดีนะคือมีโมหะแล้วรู้ว่ามีโมหะสัพผ่านนะ เห็นไหมสอบผ่านของหลวงพ่อง่ายนะมีกิเลสรู้ว่ามีกิเลสบอกว่าดีแะ้ะจิตเป็นกุศลไม่รู้ว่าเป็นกุศลใช้ไม่ได้นะเ<ม>ช่นชใจิตใจอยากฟังธรรมฟังแล้วยิ่มเอิบใจไม่รู้เลยว่ากําลังเคลื่อเคลือลนในการฟังนะมีความสุขในการฟังธรรมะแล้วไม่รู้ทันจิใช้ไม่ได้นี่ไม่ใช่มาตรฐานของหลวงพ่อนะพระพุทธเจ้าท่านสอนมาท่านบอกว่าทิศสูตทั้งหลายเมื่อจิตเป็นกุศลรู้ว่าเป็นกุศลอันนี้ดี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 เต่เป็นสุขเป็นทุกข์คอยรู้ทันนะรู้บ่อยๆแล้วมาส่งกันบ้านนะอด๋ยไม่ต้องไปสุดคุณแม่รีนะ <c oughs> ให้ท่านสุดของท่านเองเ <c oughs> อาวันนี้พอสมควรเกินกลับบ้านได้้น <c oughs> เอาว่าไย ดีแล้วละ่ะการที่คุณได้รู้ทันตัวเองดีแล้วนะทุกวันนี้คุณต่อพนาดีขึ้นแล้วคุณได้เห็นสภาวะในจิตใจตัวเองนะดี เ, เอาน่ารูาราร้ทันมันไปปฏิวเวศเป็นไงเอาส่งแล้วเหรอเห็นยังงวงงวงไว้ดูวกไหมยังเป็นหน่วงเหมือนไว้นะอ้าสองคนที่มาหลังสุดเลย มาตอนลวงพ่อใกล้เลิกแล้วคล้ายๆมาดูหนังตอนหนังจะเลิกแล้วเคยฝึกไหมเคยทํากรรมฐานอะไรกันมาเออคนนี้ตอบถูกนะบางคนมาบอกหลวงพ่อว่าฝึกแบบคุณแม่สือหลีไม่ถูกะหรือมาบอกว่าฝึกยุคหนอทองหนอนนี่ก็ไม่ถูกนะทางสํานักเขาเรียกวิชานี้ว่าทองยุคงั้นฝึกดูท้องทองยุคต่อไป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 จิตฟุงต้งซานรู้ว่าุ้งซ่านบางวันดูแล้วสงบใช่ไหมสงบรู้ว่าสงบนะดูแล้วจิตใจเป็นยังไงคขรู้ทันจิตของเราไปเรื่อยๆต่อไปเราจะสามารถเจริญสติในชีวิตประจำวันได้้จิตใจของเราจะเปลี่ยนแปลงตามการกระทบอารมณ์ตากระทบหูกระทบนะจะหมูกลิ้นกาใจกระทบเนี่ยความรู้สึกจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆให้คอยรู้ไปเดี๋ยวเอีดีไปฟังต่อเนาะหลวงพ่อเริ่ม พูดตั้งต้นใหม่ไปไหวแล้วเหนื่อยบ้านอยู่ไหนกันอยู่อะไรนะโหหน้าตีมากเลยอยู่ชนบุรีคนก็อยู่ระยองเขาก็มาทันนะ